เขาไปจัดดอกเขาก็วายอย่างนี้สวยเปิดโอกาสให้เขาจัดเขาก็เอาเลยแหละอาจารย์ ว, <c oughs> <c oughs> วาสนานี่เป็นครูบ้านนี่บ้านน้องแสนเนี่ยมาจัดจัด จ, ดจดๆดอะไรก็ไปแล้วไม่ค่อยอยู่ร่วมอะไรดอกตัง้งแต่เรามาสร้างวัดนะดอกไม้ดอกอะไรฮนะเราให้เงินให้อะไรไปไม่เอาละ ลงทุนเขาไม่กลุ่มของเขานะดอกนะอะไรมาทํามีลูกศิษพาลูกศิษพาอะไรทาเอามาขนมาหน้าหน้าแล้งนี่ก็ห่างบ้างห่างบ้างบางทีวันพระสองวันพระบางทีก็ห่างแต่ไในรั า, านีค่อนข้างจะมาสม่ำเสมอในวันพระดอกดอกเขามาเปลี่ยนดอกไม่ใช่วัดเรานะไม่ใช่เฉพาะวัดเราผาแดงสันโคเข้าไปทำไม่รู้ นอกจากน้วัดไหน ก, ก็ไม่รู้คนเราใช้ปัญญาใช้ความฉลาดสร้างกุศลใช้จริ ง, งกุศลท่านก็แปลว่าฉลาดอยู่แล้ว <c oughs> ปัญญาปัญญาเป็นอาวุธปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คนมีปัญญาขยันคนมีปัญญาหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าคนไม่มีปัญญาหาทรัพย์ไม่ได้คนไม่มีปัญญาคิดเกียจขี้ค well <path> ้านเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมนึกว่าคิดไม่เห็นก็อยู่ตามสบายนั่งตามสบายกินหลับนอนตามสบายมันมองไม่เห็นประโยชน์มันไม่มีปัญญามอง มีปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้มีปัญญาพ้นทุกข์ได้ไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้ปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกนักทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอโดยปัญญาไม่มี แสงสว่างแบบนี้มีอะไรบังมันก็ไปไม่ได้ไม่ห้องมืดตึ๊บนะนี่แสงสว่างแบบนี้มีอะไรบังไปไม่ได้แต่แสงสว่างคือปัญญาทะลุโปรงมองทะลุแผ่นดินไปเลยแหละมองทะลุไปเลยแหละมองทะลุแบบไหนมันเป็นความสามารถของผู้มีปัญญาบอกกันไม่ได้ พูทธรมาเลยเหรอฮะ <c oughs> คนมีปัญญาหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาขยันคนมีปัญญาพ้นทุกได้คนมีปัญญาแก้ไขอุปสรรคขัดข้องได้สลพัฒ ปัญญาก็คือความรอบรู้ความรอบรู้มีตั้งมีทั้งของของเก่าของใหม่ของเก่าก็สั่งสมอบรมมาเป็นบัณฑิตมาตั้งแต่กลับกันภูริชาติก็มีสั่งสมอบรมมามีทั้งของเก่ามีทั้งของใหม่พระเจ้าสร้างบารมีมาต้องมีปัญญาบารมีนะไปดูบารมีสิบบารมีทั้งสิบเนี่ยบารมีสิบทัศน์ ทานศิลในขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นปัญญาอุเบกขาก็เป็นบารมีเมตตาก็เป็นบารมีอุเบกขาก็เป็นบารมีวิริยะก็เป็นบารมีเนคขมะก็เป็นบารมีเนคขมะคือการออกบวชออกบวชกายออกบวชใจ ออกบทกายก็คือเอากายออกจากห่างออกจากกามไม่คลุกคลีอยู่กับบ้านกับช่องกับเรือนเอากายออกจากกามเอาใจออกจากกามในคขมมะคือการออกบทออกบวทกายออกบทใจออกบวทใจเราไม่ออกเราไม่เรายังอยู่ครองเรือนเราก็สามารถออกบวดได้เอาใจออกจากกามได้ อยู่ที่บ้านนั่นแหละหาหมุมสงบทำความหาหมุมสงบแล้วก็ภาวนาให้ใจสงบใจสงบคือมันสงบจากอารมณ์ของกามนั่นแหละเนี่ยนี่คือคือเนคขมะบา ร, รมีศีลบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีความเพียร ขันติบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยเสบือซืเหมือนคนเสานี่ไม่ใช่นะอุเบกขาเนี่ยคำว่าอุเบกขาของท่านเนี่ยวางเฉยแบบนั้นก็อย่างหนึง่งก็ใช่ก็ถูกแต่ว่าต้องมีปัญญาใคร่ครวนข้างใน ใครครวญเรื่องกรรมไปดูสิในอุเบกขาเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาไปดูในอุเบกขาการุณาบุติตาอุเบกขาพิจารณาถึงกรรมของสัตว์แท้จริงอุเบกขาเลยกลายเป็นเรื่องของปัญญาเพราะคนที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิได้จะต้องพิจารณารู้เรื่องกรรมของตัวเองจะต้องพิจารณารู้เรื่องกรรมของตนเองกรรมสะโกมหิ กรรมดายาโดกรมโยนิกรรมวันทุกรรมปฏิสารนาสา ร, รโนทำกรรมดีหรือชั่วไว้จกเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นปล่งแล้ว เ, เรื่องของกรรมนี้ปร่งได้ทั้งกรรมของตัวเองทั้งกรรมของคนอื่นคนอื่นคนดีบ้างไม่ดีบ้างทุกอย่างลําบากอับจนบ้างขี้เกียจขี้คร้านบ้างนิสัยเกียจ เ, เมดเกเรกบ้างอะไรบ้าง สงเคราะห์อย่างนั้นก็แล้วสงเคราะห์อย่างนี้ก็แล้วสงเคราะห์อย่างนั้นก็แล้วะไม่ได้หน้า่ในหลังไม่ได้เรื่องในราวเอาตัวไม่รอดเหมือนเดิมในที่สุดก็ต้องปลงลงในกรรมโอ้มันกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์กรรมของสัตว์ไม่ใช่พูดลอยๆนะคําว่ากรรมของสัตว์ไม่ใช่พูดลอยๆกรรมของสัตว์ก็หมายถึงการกระทําของเขานั่นแหละมีทั้งกระทํามาตั้งแต่เก่า มีทั้งกระทำในปัจจุบันนะก็การกระทำในปัจจุบันนั่นแหละเป็นกรรมแต่พวกเราถ้าพูดถึงเรื่องกรรมก็มกักถึงเรื่องอดีตกรรมที่ลี้ลับอะไรที่ทำให้เราต้องคิดต้องคนที่มีความสามารถหูทิพตาทิพธ น, นั้นที่จะมองเห็นได้ก็ใช่อันนั้นก็ใช่แต่ว่ากรรมปัจจุบันต้องดูด้วยนะคนเราถ้าหากกรรมไม่ดีส่งมา แต่ถ้าหา ก, กรรมปัจจุบันอยู่ในแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมตลอดคนนั้นก็ยังพอพอพอช่างพอตวงกันได้อืแต่ต้องหมายถึงว่าภาวะแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าไปเจอภาวะแวดล้อมไม่ดีก็ ย, ยิ่งซ้ําเติมเข้าไปหนักเข้าไปอีกแหละสมมติกรรมกรรมไม่ดีส่งมาแล้วเนี่ยแต่ถ้ากรรมดีส่งมาแล้วก็ตามถ้าได้ไปอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดี ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมกรรมดีนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าตรงการข้ามไปอยู่ใกล้ภาวะที่ไม่ดีเป็นเป็นเหตุให้เราต้องได้ทำกรรมไม่ดีถึงแม้ว่ากรรมดีจะส่งมาก็ตามแต่กรรมใหม่ที่เป็นกรรมไม่ดีนี่แหละมันจะหันเหทิศทางชีวิตของเราได้ท่านจึงให้เน้นลงที่กรรมใหม่กรรมใหม่คือกรรมสดๆร้อนๆกรรมปัจจุบัน การภาวนานั่นเป็นกรรมปัจจุบันนะเราดูไปฏิจัยของเราพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธเราดรําริอันนี้เป็นกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันสามารถทําให้เราคลี่คลายสามารถเปิดประตูใหม่เปิดความสว่างใหม่พลิกแปลงใหม่หันเหทางชีวิตใหม่อะไรใหม่ได้ทั้งหมดเพราะกรรมใหม่ด้วยกิริยาที่ทดีที่งามนี่แหละ ดูที่ดูที่พระโมคคลล า, านะ่าหน่ยมีคดีติดตัวฆ่ามารดากรรมให้ผลมาเป็นกับการโพเรชาตตอร่อยชาติไปแล้วถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายเพราะเคยฆ่ามารดาตายนะถึงท่านั้นก็ตามกรรมปัจจุบันของท่านคือภาวนาเนี่แหละอกรรมเก่าก็ตามให้ผลไปกรรมใหม่ท่านกระทาของท่านไปภาวนา ในสุดจิตของท่านกันแนบมาแนบอยู่แต่กับ ก, บกรรมใหม่กรรมปัจจุบันก็สามารถห น, นีเอาตัวรอดได้อัตภาพร่างกายของไข่ของเราของท่านที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกคนนี้เป็นผลิตผลของกรรมเก่าทั้งนั้นไม่ใช่ของกรรมใหม่เป็นผลิตผลของกรรมเก่าถ้าเป็นกรรมใหม่ก็คือกรรมที่พ่อแม่ประกอบกรรมกันนั่นแหละนั่นแหคือกรรมใหม่ในปัจจุบันในชาตินี้ เกิดขึ้นจากพ่อแม่ประกอบกรรมคนเราที่เราจะมีลูกเต้าด้วยกันจะต้องมีพ่อแม่ประกอบกรรมมันไม่มั น, ม น, มนไม่เหมือนเรื่องในชาด ก, ใ น, าดกนาในชาดกเนี่ยในชาดกเนี่ยพ่อแม่ของสุวรรณสามเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเพียงจะเอามือลูบท้อง ภรรยาท่านเองนางปาปาดิกาเนี่ยนางก็ตั้งขันขึ้นมานางก็ตั้งขันขึ้นมาคือทั้งสองนี่หลังจากเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันท่านนี้อยู่มาวันหนึ่งเทวดาเห็นเห็นว่าทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยต่อไปสองคนทั้งผัวทั้งเมียน่ยจะตาบอด พอหลังจากตาบอดแล้วไม่มีใครดูแลจะทรมานมากเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยมาบอกว่าให้เธอมีลูกซะให้มีบุตรซ ะ, ะเดี๋ยวถึงคราวตาบอดทั้งสองคนและลูกจะได้ดูแลโด ย, โ ด, ยโดยเชื่อเทวดา อ, อยู่ป่าเนไปเป็นดาบด์ไปเป็นดาบดอยู่ป่าดาบดผู้ชายดาบด์ซีนีผู้หญิงไปเป็นดาบอาดอยู่ในปา่าในสุขเชื่อเทวดา ก็เลยเปรูปทองรูปทองของนางปาริกาสามีไป็นรูปทองแค่นั้นก็ตั้งขันเห็นไหมมันยังมีกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องก็กิริยาที่รูปนั่นแหละนั่นนะ่ะคือกรรมอ่ากิริยาที่รูปนะ่ะคือกรรมอันนั้นเรายกไว้เป็นพิเศษเพราะเป็นชาดกของอัจฉริยะบุคคลมันเป็นชาดกเป็นเรื่องราวตั้งแต่อดีตกรรมอดีตชาติแต่สำหรับพวกเรานั้น พ่อแม่จะต้องประกอบกรรมกันในปัจจุบันนั่นแหละหลังจากประกอบกรรมลงไปแล้วกรรมมันก็จัดสรรมันก็สร้างสรรค์ของมันเองธาตุพ่อธาตุแม่ไปประกอบกรรมประกอบกันในท้องแม่อ่าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่มีวิญญาณ มีกรรมที่สิงมากับวิญญาณกรรมมากับวิญญาณกรรมเป็นพลังของวิญญาณใครควรจะได้กรรมขนาดไหนระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิญญาณควรจะได้คุณสมบัติขนาดไหนก็เป็นเป็นมาด้วยอำนาจของกรรมไปเข้าไปปฏิสนธินะพ่อแม่ประกอบกรรมกันด้วย แอาศัยอาศัยวิญญาณเข้าไปปฏิสนธิในจังหวะที่พอดีพอเหมาะตามการปฏิสนธิของของมนุษย์เผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์จากนั้นแล้วก็เกิดขึ้นเป็นทารกไม่ผู้ชายก็ต้องผู้หญิงอที่จะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายมาในคนเดียวนเอเคยมีประวัติไหมทางแพทย์ทางหมอเคยมีไหมมามาคนเดียวกันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมาด้วยกันนี่เคยมีใช่ไหม เออก็นั่นแหละกรรมนีกรรมรรมันพิสดารกรรมมันพิสดารเกินโลกเขามันมีได้เป็นได้พอเข้าพอเข้าไปประกอบกันเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์อ่าก ล, ก ล, กลายเป็นกลายเป็นกองสังขารกองหนึ่งกองสังขารกองนี้จะต้องพัฒนาไปตามภาวะความเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็จะเจริญเติบโตไปเจ็ดหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หสัปดาห์สิบสัปดาห์สองเดือนสามเดือน เจดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนนะทารกในท้องทารกในครรภ์ก็จะเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยแปรมาเรื่อยแปรมาเรื่อยแปรมาเรื่อยจะไม่คงที่ไม่คงที่หละกไม่คงที่ไม่คงที่จะเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยลักษณะการเปลี่ยนอยู่ในภาวะที่เจริญเมื่ออยู่ในภาวะที่เจริญก็ต้องอาศัยสิ่งไปทดแทนต้องอาศัยวัตถุดิบเอนงั้นเถอะ เพราะฉะนั้นจึงมีท่อลำเลียงท่อส่งอาหารจากแม่ไปที่ทารกในระหว่างที่อยู่ในท้องแม่หายใจก็หายใจด้วยแต่ถ้าแม่ไม่หายใจลูกก็คงจะไม่หายใจด้วยข้าวปลาอาหารดินน้ําลมไฟก็อาศัยไปจากแม่ไปตามท่อน้ําเลี้ยงสายสะดือสายสาสะดือนั่นแหละ อ, อยู่เป็นวันเป็น เดือนหเดือนหเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนบางทีก็สิบเดือนครบปัญจสาขามีหัวมีแขนมีลำตัวมีขาปัญจสาขาสาขาห้าอย่างมีหัวมีแขนมีขามีลำตัวมีหัวมีแขนมีขาปัญจสาขาแล้วก็ออกมาหนึ่งภาวะ ภาวะของกรรมเหล่านี้มันเป็นการสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ๆใหม่ๆทั้งนั้นหลยมันอยู่ในช่วงที่เจริญมันก็จะเจริญอายุไขัยในอยู่ที่ช่วงในช่วงที่เจริญก็จะเจริญพอไปถึงการถึงอายุไขช่วงที่เสมอตัวก็จะเสมอตัวถึงช่วงที่เสื่อมก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงอันนี้คือภาวะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรรมทั้งหมดนี่เราพูดในแง่ของความเป็นกรรมปัจจุบันทั้งนั้นแหะ เราลองดูที่ลองอดอาหารไม่ทานข้าวปลาอาหารเข้าไปสิสักพักหนึ่งอา้าวบุตรในท้องนี่ไม่สมบูรณ์แหละเราไม่ต้องพูดถึงบุตรถึงคนเราพูดถึงตัวคนเดียวนี่แหละลองละอดข้าวอดอาหารเข้าไปมันจะเริ่มผิดปกติทันทีแหละคือร่างกายขาดขาดนา้ากระหายน้าขาดอาหารหิวอาหารจากนั้นแล้วในเมื่อเขาไม่มีอะไรไปทดแทน ส่วนนั้นที่เคยเต็มเคยเต่งเคยตึงเคยเต่งเคยเคยตึงเคยเต็มเคยอะไรเขาจะยุบไปพร้อมไปยุบไปพรอมไปเนื้อตรงนั้นเคยเต็มก็จะหดไปเหี่ยวไปตรงนี้เคยเต็มก็จะหดไปเหี่ยวไปนั่นนะเราดูให้เห็นเป็นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันสังขารทํางานในขณะปัจจุบันมันก็ประกอบกันกันเข้าไปเรื่อย เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทำงานเป็ น, นกลไกเป็นระบบของมันพอออกมาแล้วอพอออกมาแล้วตัดสายรกตัดสายรกอาหารเข้าทั้งปากาทำเองยังไม่ได้พ่อแม่ต้องป้อนปอนข้าวปนน้ำปอนอะไรสารพัดครูเียงสาภาวะใสเองได้ก็ใส่เข้าไปไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ร่างกายขาดขาดขาดตกบกพร่องหิวกระหายต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไป เราดูภาวะของกรรมที่เป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยมันก็ทำงานต่อเนื่องกันมาอยู่อย่างนี้ตลอดรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมามันสัมผัสสัมผั์กันพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าดินน้ามลมไฟมาประกอบกันหากประกอบกันได้กาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจกรรมก็กลุ่มกันได้ด้วยอำนาจกรรมกรรมกรรมมาจากไหนกรรมก็ติด แนบมากับวิญญาณกับจิตเรานั่นแหละจิตของใครของใครจะไปไหนก็ตามแต่อมกรรมเต็มแปรไปอยู่ใ น, นนั้นเพราะฉะนั้นพลังที่ให้ผลพลังงานที่ให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้ก็คือพลังงานของกรรมนี่แหละสามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้สมร่างกายตายจิตใจยังไม่ตาย ร่างกายตายจิตใจไม่ตายจิตใจไม่แก่จิตใจไม่ตาย จ, ต จ, จิตใจไม่ตา ย, ตตายพฤติกรรมของใจที่เคยประกอบน้นประกอบนี้นะประกอบดีมากหรือประกอบเลวมากก็ไปตามนั้นแหละจิตตรงนั้นวิญญาณตรงนั้นก็อมกรรมเต็มแพร่ไปนั่นแหละกรรมทางด้านนามธรรมก็พัฒน า, านไปทางด้านของนามธรรมพอมาประกอบกันกับร่างกายเขาก็เป็นอยู่ด้วยกันโดยอัตโนมัติ เวลาเขามาเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยเขาจะออกจากกันได้ยากมากเวลาจะออกจากกันนะเ้าเคยสังเกตเห็นคนใกล้จะตายอะ่ะต้องชักดิ้นชักงอกว่ากว่าเขาจะออกไปได้เอแทนที่เขาจะไปง่ายๆสงบเงียบง่ายๆเนี่ยยกเว้นแต่คนที่มีภาวะล้มเหลวของของข้างในของของภาวะอ่าอวัยวะส่วนสําคัญสําคัญที่มันล้มเหลวไปแล้วก็วกหายเงียบไปเลยแบบนั้นก็มี แต่ถ้าอยู่ภาวะเป็นปกติธรรมดาเขาจะขาดใจตายจะต้องชักนิ่งชักงอกันนั่นแหละเนี่ยเวลาเขามาเกี่ยวข้องกันแล้วเนี่ยเขาจะออกไปจากกันได้ยากมากถึงจะอยากตายมันก็ไม่ตายอถ้าเราไม่ทําอะไรให้มันสักอย่างหนึ่งมันจะไม่ตายร่างกายเนี่ยเสมอจิตใจดวงนี้แหละครองร่างกายตัวนี้ร่างกายเรือนร่างอันนี้สมอจิตใจไม่ชอบอยากจะหนีออกไป จะนี้ออกไปก็ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้จะตัดขาดกันได้ต่อเมื่อร่างกายหมดภาวะที่จะที่จะเป็นที่จะระบบระบบในร่างกายไม่สามารถจะทํางานได้แล้วแหละเช่นอย่างภาวะของลมก็หมดไปภาวะของการขับของการย่อยของการสูบของการฉีดภายในร่างกายหมดไปเขาถึงจะ ถึงภาวะที่ล้มเหลวทําอะไรไม่ได้เพอทําอะไรไม่ได้เขาก็ขัดเขาก็คล่องก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์เหมือนน้ามันตันน่ะแหละรถอ่ามันสูบมันฉีดไปไม่ได้มันก็ขาดกําลังก็ขาดขาดก็ไปไม่ได้ก็เหมือนคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมันไม่ ม, มีไม่มีเลือดไปเลี้ยงกั้ชักดิ้นชักงอชนะก็ไปแล้ะจิตใจอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ไปหาใหม่จิตใจตายไม่เปลี่ยนแต่จิตใจแก่เป็นนะ แก่บุญมากท่านเรียกว่าแก่บุญบาปมากท่านเรียกว่าแก่บาปแบบนี้เราก็อนุโลมในคําว่าแก่แก่ได้แก่บุญบุญมากท่านเรียกว่าแก่บุญบาปมากท่านเรียกว่าแก่บาปไม่ใช่แก่ด้วยการสิ้นอายุไขไม่ใช่แก่เพราะการสิ้นอายุไขแต่จิตใจนี้ไม่ตายเพราะจิตใจนี้เป็นธาตรู้เป็นผู้รู้ ผู้รู้นี้เป็นของใหม่หรือของเก่าผู้รู้เป็นของเก่าประจําโลกผู้ไม่รู้คือถ้าดินน้ําลงไฟก็มีของของที่มีอยู่เป็นธาตเก่ามีอยู่ประจําโลกเรามาดูมาที่ร่างกายของเรากับจิตใจของเราเป็นของเก่าที่มีอยู่ประจําโลกแต่ว่านามธรรมคือจิตใจของเราเกิดขึ้นตั้งแต่กับการบรชาไหนเราก็ทราบไม่ได้ แต่เกิดขึ้นมาแล้วก็หลงตัวเองความหลงนี่ก็พันตัวเองเข้ามาเลยพันเข้ามาเลยพันเข้ามาเลยลักษณะที่พันตัวเองขึ้นมานี่ด้วยเหตุที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ดั้งเดิมจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญามาชะมาล้างมาขัดมาเกลารหรือปัญหาตรง น, นั้นหรือปัญหาตรง น, นี้ออกเพื่อจิตตรง น, นี้หมดจากภาวะความเศร้าหมองสิ่งที่เศร้าหมองก็คือกิเลสนั่นแหละอวิชชา มากับจิตคือผู้รูร้รู้นี่แหละเกิดมาตั้งแต่กับการปพเรชาติไหนก็ไม่ทราบแต่มาเกิดในภาวะที่ว่าปัญจโวการมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีรูปธรรมและจะต้องมีนามธรรมรูปคืออัตภาพร่างกายนามก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นิสเีตรวน้ํน า, า, าบางทีก็ไปเกิดเป็นพระพรหมชั้นมีแต่โรคเรียกว่าเอกโวการมีอาการอันเดียว อเอเกวการบางทีก็ไปเกิดสี่อาการอยจตุวการมีแต่เวทนามีแต่สัญญาสังขารยินยันที่เรียกว่ามีแต่นามไม่มีรปูปบางทีก็ไปมีแต่รปูปไม่มีนามที่จริงภพภูมิของเราก็มีอยู่แค่นี้มีอีกประเภทหนึ่งก็คือกาเนิดผุดขึ้นกำเนิดผุดขึ้น กำเนิดผุดขึ้นเช่นอย่างพวกสัตว์นรกก็ไปผุดขึ้นเลยกำเนิดของเทวดาทุกชั้นน่ยก็ต้องไปผุดขึ้นเลยแต่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ทั้งหลายต้องมาเกิดต้องมาเกิดในครันเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดกำเนิดของสัตว์เน่ยเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าในเท่าไข่เกิดในครันเกิดในเท่า ในไข่เกิดในเท่าใครแล้วก็เกิดผุดขึ้นเกิดในคันก็คือพวกเราพวกสัตว์เกิดในไข่ก็พวกนกพวกเป็ดพวกไก่พวกเกิดในเท่าใครก็พวกหนอนพวกอะไรต่ออะไรเน่เกิดในในสิ่งที่สกปรกมีสารนั้นสารนี้ไปประกอบกันแล้วทาให้เกิดตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมาเกิดในเท่าในไข่ เวียนโนกนอนมันเกิดในประแดกปาราอะไรตัวอะไรอย่างนี้นี่กำเนิดของศัตว์มันเกิดอยู่อย่างนี้แล้วถ้าถ้าเราจะแยกถึงอาการของการเกิดเกิดมีอาการห้าเช่นอย่างมนุษย์เราเนี่ยก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจบลงแล้วคือรูปกระนำไปเกิดในอาการหนึ่งก็คือมีตรูปพร้อมนะนะั้นน่ะที่บอกมีตรูปนะ่ะ อยู่ได้ด้วยอำนาจของกรรมกรรมเลี้ยงเอาไว้อยู่กี่กับมีการก็อยู่งั้นอายุยืนเลยนะตามตำราที่ท่านทำอาไว้เขียนเอาไว้มีแต่รูปไม่มีนามไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณอะไรไม่มีแล้วก็บางประเภทก็มีตานามไม่มีรูปมีตานามไม่มีรูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตานามไม่มีรูปเนี่ยไปกําเนิด อยู่อย่างงั้นแต่ถ้าพูดถ้าเราพูดถึงพภพก็ภพนี่แหละการกำเนิดนี่แหละเกิดผุดขึ้นเทวดากับสัตว์บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายก็ผุดขึ้นแต่ด้วยอำนาจของบาปด้วยอำนาจของกรรมด้วยอำนาจของตัณหาอุปาทานก็ยึดมั่นถือมั่นไปเกิดมีรูปร่างลักษณะยังไงก็ยึดอัตภาพร่างกายนั่นแหละ อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีมีเนื้อมีเลือดมีอะไรเหมือนอย่างที่เราอยู่อย่างนี้แต่ด้วยเหตุที่การยึดมั่นถือมั่นในเรือนร่างอันนั้นก็มีมีรูปมีร่างมีตัวมีตนเรายกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะเช่นอย่างเรานอนฝันอย่างนี้เอ้าวเรานอนฝันเนี่ยเราไปเนี่ยเราไปเป็นไงเราไปเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเอ้าวใครลองฝันลองดูดิไปไปก็ไปเห็นตัวตนคนนั่นคนนี้เนี่ยกับเพราะอะไร นั่นคือแรงอุ ป, ปาทานที่มันมีอยู่ในใจแม้แต่หลับไปแล้วมันก็เห็นเป็นมีรูปมีร่างมีตัวมีตนสัตว์นรกไปเช่นเดียวกันแหละก็เหมือนอย่างอเวจีมหานรกเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์ไปเกิดในอเวจีมหานรกเนี่ยไม่มีไม่มีว่างเว้นจากเสียงร ง, งมไปด้วยความทุกข์สัตว์ที่ไปเกิดในนรกนะั้นเขาพูดถึงพระเทวทัศที่ถูกทรมานนั่นเอะ มีเหล็กเหลาเท่ากับลําตาเนี่ยเสียบหน้าอกทะลุหลังเนี่ยท่านพูดเอาไว้ท่านพูดเอาไว้นะถึงการทรมานของพระเทวทัตที่ไปอยู่ในอเวจีมหานรกน่ยมีเหล็กเหลาเท่ากับลําตาเนี่ยเสียบหน้าอกทะลุหลังแล้วก็จะแล้วก็ไปเสียบไปเสียบข้างหลังเอาไว้เหมือนกับถูกแบกเอาไว้ข้างหลังก็ถูกแบกเอาไว้ข้างหน้าก็ถูกแบกเอาไว้อาจจะมีอะไรตรึงเอาไว้ อ่าตอนี้ความร้อนที่เป็นเปลวเลพลิงพุ่งมาพุ่งมาจากสี่ทิศร่างกายแดงโกรอยู่อย่างนั้นตายก็ไม่ตายเพราะอะไ ร, รับเพราะกรรมกรรมเลี้ยงเอาไว้นี่ฉันพูดถึงการทรมานของสัตว์นรกพวกนี้ตายปุ๊บก็ไปเกิดผุดปั๊บเลยไม่ต้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็คือกรรมพ่อแม่ของเทวดาแต่ละชั้นละชั้นก็คือกรรม ภพชาติที่ไปเกิดในรังรอกก็คือภพชาติที่ไปเสวยกรรมภพชาติที่ไปเกิดบนเทวดาชาแน น, นชาแน น, นตั้งแต่ชั้นจ่าตุมขึ้นไปเป็นต้นคือการไปเสวยกรรมภพชาติการมาบัตรเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เอ่ยเป็นสัตว์เอ่ยเป็นอะไรเอ่ยก็คือภพชาติที่มาเกิดเพื่อเสวยกรรมเราจะเห็นว่ากรรมเนี่ยมีความสําคัญมากรูดูไปในกรรมในลักษณะการกระทําในปัจจุบันแล้วเราจะเราจะเข้าใจ โดยเหตุที่เราไม่เข้าใจเรื่องกรรมนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เรานึกผิดคิดผิดเข้าใจเข้าใจผิดสำคัญผิดเดาผิดแก้ผิดทํอะไรผิดผิดผิดไปเรื่อยผิดตุผิดตุผือนการผิดก็ทำให้เราหลงผิดเราหลงผิดก็ทำให้เราทําผิดเกิดขึ้นไปจากการเข้าใจผิดการเข้าใจผิดก็คือการไม่มีปัญญานั่นแหละมันมืดมันทึบมันทื่อมันมองไม่เห็นแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมองเห็นนะ มีปัญญาแล้วมองเห็นแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลไม่เห็นข้อผิดข้อถูกไม่เห็นเงื่อนไม่เห็นปมแก้ก็ผิดในเมื่อเห็นเห็นในเมื่อเห็นเท็จแก้ก็ต้องเท็จคือแก้ไม่ถูกเห็นผิดเห็นผิดแล้วแก้ผิดเกิดขึ้นมาจากการเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็คืออะไรก็คือขาดปัญญานี่แหละ ปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากดังที่ปรารอไว้นั่นแหล ะ, ะคนขยันนะคนมีปัญญายอมขยันเพราะอะไรเพราะมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นผลรายได้เห็นผลอเ น, นสงจากการที่มีปัญญามองเห็นก็เลยมีจิตใจขวนขวายที่จะสร้างที่จะทำมีความขยันมีความอุตสาห เพราะมองเห็นว่าเออถ้าเราตั้งใจทํานี้เราจะได้อย่างนี้อย่างนี้ปัญญาปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกเป็นแสงสว่างที่ส่องทะลุโลกไม่ใช่เป็นแสงสว่างที่ส่องได้ในเฉพาะที่ที่แจ้งมีอะไรมาบดบำบังแล้วไปไม่ได้เหมือนแสงสว่างปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดทําให้เราขยันได้ก็เพราะปัญญาทําให้เราขี้เกียจได้ก็เพราะขาดปัญญา ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็เพราะปัญญาทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ก็เพราะปัญญาไม่มีปัญญาขาดปัญญาแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงได้ก็เพราะปัญญาแก้ไขไม่ได้ก็เพราะปัญญาเราเห็นความสําคัญของปัญญาแล้วเราควรสร้างควรทําหนทางที่ทําให้เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนสุตตมิยปัญญาจินตมิยปัญญา ภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาการได้ยินได้ฟังสัมผัสด้วยสัมผัสสัมผัสด้วยหูก็คือได้ยินสัมผัสด้วยตาก็คือได้เห็นสุตะสุตตะแปลว่าฝังสุตตามยปัญญาเราจะไม่ว่าเฉพาะแค่ฝังตาสัมผัสก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาหูสัมผัสก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญา จมูกลิ้นกายใจแต่และอย่างแต่และอย่างสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่สุตตะสุตะที่ท่านหมายถึงในที่นี้หมายถึงตํำรับตําราหมายความว่าเป็นผู้ได้ยินมากได้ฝังมากผู้ได้ยินมากได้ฟังมากได้ยินเรื่องแปลกๆเข้าใจเรื่องแปลกๆได้ยินมากก็เข้าใจมากอ่า ได้ยินคำว่าได้ยินมากได้ฟังมากรวมไปถึงการขวนขวายศึกษาคนวาคว้าก็เหมือนอย่างที่เรามีวุฒธธิในการศึกษากันแหละบางคนก็จบเท่านั้นจบทันนี้จบปถมจบมัธยมจบเตรียมอุดมจบอุดมศึกษาชะ้น้นชั้นนี้ด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์สิ่งเหล่านี้คือแสวงหาสุตตามิยาปัญญา แต่ปัญญาที่จะขอบให้แหลกละเอียดลึกเข้าไปอีกก็ต้องจินตะจินตะจินตามะยะจินตามะยะก็คือเอามาใคร่ครวนด้วยใจอ่าอันนี้ตำราครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะท่านบอกว่างนี้เราก็เอามาใคร่ครวนด้วยใจเอามาใคร่ครวนด้วยใจท่านเรียกว่าจินตะจินตะจินตะจินตามะยะเช่อนอย่างท่านบอกว่าอดทนความอดความทนอือ เป็นตบักอย่างยิ่งนะสมมติอย่างธรรมะท่านสอนว่า ค, ความอดทนเป็นตบักอย่างยิ่งนี่นเมื่อเราอ่านอย่างนี้เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราเอามาไข้ครวนเอความอดทนนี่เป็นตะบะกยังไง อ, อดทนต่อแดดอดทนต่อฝนต อ, แบบอนตอ ων, ตอหนาวต่อร้อนต่อหิวต่อกระหายอดทนอย่างยิ่งคืออดทนเจ็บใจความอดทนดีทั้งนั้นนะอ่า ความอดทนมีสภาษิติ์ย้อนหลังว่าอดทนได้สบายชีหลังอดทนได้สบายตามหลังแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ยังไม่เกลี้ยกลาำเสียทีเดียวเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่ควรอดทนแต่เราไปอดทนพออดทนไปแล้วก็เลยเสียประโยชน์เลยพลาดประโยชน์คาว่าอดทนได้สบายทีหลังคือเรื่องที่อดทนแล้ว ได้เกิดได้ประโยชน์ในสิ่งที่ควรอดทนไม่ควรอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนเช่นอย่างมีมียาแก้ปวดท้องเงี้ยเราปวดท้องจะเป็นจะตายอยู่ใกล้ๆก็ไม่หยิบทานเข้าไปีอดทนแบบนี้ เ, เรียก่าอดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทนรู้ว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ควรบำ บ, บัดได้ก็ควรจะบำ บ, บัดมาคิดมาไขคค้ครวนเข้าไปเข้ามาแต่กระจัดกระจายขึ้นไปนี่ท่านเรียกว่าจินตะจินตะ กินตาไมยปัญญาจินตาไมยปัญญาปัญญามันก็เพิ่มเพิ่มพูนพัฒนาแต่กระจายเข้าไปอีกจากการที่เราท่องจําแค่ได้หนึ่งเนี่ยพอเราไปพิจารณาก็แตกกระจายไปเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันไปแบบไม่มีจุดจบไม่มีขอบเขตไม่จํากัดในความสามารถของใครของใครไม่ยําปัดไม่จํากัดความสามารถเฉพาะในในคอเฉพาะในขอ เฉพาะในงอไม่จำกัดไม่สิ้นสุดสำหรับใค ร, ไ ม, ร, ใครไม่สิ้นสุดสิ้นสุดสาหรับใครไม่สิ้นสุดสาหรับใครแต่พระพุทธเจ้าท่านสามารถทำให้สิ้นสุดได้ท่านบอกว่าคุณวิเศษที่จะดีขึ้นไปมากกว่านี้ไม่มีแล้วพอแล้วพอแล้วยินดีละพอใจละพอใจละ ที่พระ อ, องค์ได้บรรลุอาสวัคยายานนี่รูปธรรมเจ้าถึงที่สุดได้ถึงที่สุดได้แบบไม่มีอะไรดีเกินนี้อีกแล้วแหละอันนี้เรายกมาพูดเป็นตัวอย่างภาวนามยะปัญญาก็เช่นเดียวกันภาวนามยะปัญญาก็ลักษณะคล้ายคลวนก็เหมือนกับจินตะธรรมจินตะไปจนชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการซักฟอกเป็นการขัดเกลา้า เช่นบอกเนท่านบอกว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังนะร่างกายของเราเป็นทุกขังนะร่างกายของเราเป็นอนัตตานะจิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทั้งรูปทั้งนามของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็หัดมาพิจารณาโอ้ร่างกายเป็นอนิจจังเพราะอะไรเราก็มาพิจารณามาใครมาควนไล่ไปไล่มาไล่กลับมาไล่กลับไปท่านสอนวิธีให้พิจารณา ว่าร่างกายก็ัตดิ์ตบะเป็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราถ้าจะว่าเป็นธาตุก็คือธาตุดินน้าลมไฟมาประกอบกันมาเกาะกลุ่มกันเราพยายามดูให้เห็นว่าโอ้แข็งแข็งเป็นดินเอิบอาบซึมซาบเป็นน้ําอบอุ่นเป็นไฟพัดขึ้นพัดลงเป็นลมดูให้เห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟจริงๆตอนยังไม่เห็นก็คือไม่เห็นทําจนเห็น ในระหว่างที่เราพยายามทําเห็นหรือไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นก็คว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดเห็นหรือไม่เห็นพอคว้าติดปับ๊บเข้าใจปับ๊บกลายเป็นปัญญาพื้นพื้นธรรมดานั้นทนา่ทรรนานเรียกว่าปัญญาพอทําได้จนชั้นชานาญจนได้ผลวิเศษเกิดขึ้นพุทธขึ้นในขณะนั้นตอนนั้นแปลปราดอัศจารขึ้นมาเกินคาดเกินหมายนั่นเป็นปัญญาญาณปัญญาญาณเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้นะ เพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาสําเร็จเมย์แปลว่าสําเร็จสําเร็จได้ด้วยภาวนาภาวนาก็คือดูซ้ําๆพิจารณาซ้ําๆทําซ้ําๆการทําซ้ําๆเนี่ยท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาทําจนเกิดทําจนมีทําจนเป็นท่านเรียกว่าภาวนาตราบใดที่ยังไม่เกิด มันก็คือยังไม่มีก็คือยังไม่เป็นตราบใดเกิดก็คือมันก็มีมันก็เป็นนี่ที่เรียกว่าภาวนาทําจนมีทําจนเป็นดูซ้ำๆพิจารณาซ้ําๆกํากับดูแลซ้ําๆทําแบบฝึกหัดซ้ําๆซักซ้อมซ้ซําๆทําอยู่อย่างนั้นแหละลองผิดลองลองถูกทําผิดทําถูกลองผิดต้องถูกลองถูกทําผิดทําถู ก, ท, ถกทำใหม่ จึงสามารถเห็นต้นต่อที่ชัดเจนแจ่มแจ้งได้ด้วยภาวนามยปัญญาเพราะภาวนาเมยาปัญญานั้นเป็นเรื่องมากํากับที่ใจเป็นการหมายชะมาล้างมาขัดมาเกา่าจนเห็นเหตุต้นต่อที่เรียกว่าสมุทยัยขึ้นที่หัวใจไล่ไปไล่ามาก็คือสิ่งที่เป็นมวลทินในหัวใจของเรานะี่ยอวิชชาตันหาอุปาทานนะสิ่งเหล่านี้มันบดบังปัญญาถ้ า, าปัญญามี เพิ่มขึ้นทีไรเมื่อไรอเราสร้างเสริมเพิ่มพูนทวีคูณให้ปัญญาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขนาดไหนเพียงไรภายในจิตของเราก็จะสว่างสวยัยเพราะจิตสว่างจิตสว่างก็คือจิตที่มีวิชาวิชาแปลว่าความรู้อวิชาแปลว่าความไม่รู้โมห oh ะแปลว่าความมืดอโมห oh ะแปลว่าไม่มืดหรือความสว่าง ความสว่างปัญญาคือความสว่างของใจปัญญาคือความสว่างของใจเราชำระเราขัดล้างสิ่งที่เป็นมลทินในหัวใจของเราเหมือนอย่างจิตมันไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตมันชอบคิดเรื่องวัตถุกามเรื่องอารมณ์ของกามมันนึกสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นแหละท่นนานเรียกว่านึกคิดอารมณ์กามนึกคิดเรื่องของกาม อารมณ์กามทั้งหลายทั้งปวงนั้นทําให้จิตเรามืดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราเจริญสมถะให้จิตของเราสงบเราขัดให้มันสว่างทีเดียวไม่ได้ดอกเราให้มันหยุดซะก่อนให้อารมณ์ของกามทั้งหลายไปในจิตของเราให้หยุดให้มันหยุดพาจิตนี้ไปดีดไปดิ้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกามให้จิตเป็นอิสระในตัวของตัวเองท่านจึงให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ พุโทโธนี้เป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอารมณ์ที่ไม่พาจิตฟุ้งซ่านดําริเหมือนกันแต่ดําริคําเดียวดําริสิ่งที่เป็นธรรมเรานึกเราคิดไปเรื่องทั้งเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเราก็นึกคิดเหมือนกันแหละแต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยพอคิดไปคิดไปคิดไปแป๊บเดียวตามมาตัญหามันสวมรอยแล้วมันสวมรอย พิจารณาเรื่องรูปดูไปดูมาอ้าวกำหนัดยินดีพอใจในรูปพิจารณาเรื่องเสียงพิจารณาไปพิจารณาอ้าวกำหนัดยินดีเรื่องเสียงพิจารณาเรื่องสิ่งเรื่องของของสิ่งของของใช้ทั้งหลายทั้งปวงดูไปดูมาเออของนี้ดีน่าใช้ของนั้นดีน่าใช้หน้าหัวงหน้าทนุถนอมมีค่ามีคุณค่ามีราคามันดูไปอย่างนั้นอันนี้คือการที่เราอืม คือเราดูไม่ทั่วถึงเราดูไม่ทั่วถึงเพราะความมืดความบอดมันบดบังถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับว่าอสารพิษมันชอบอยู่ในที่มืดๆเราไปเปิดดูในสิ่งที่มีสิ่งที่ปกที่คลุมที่บังตามใต้ถุนบ้านใต้ถุนเรือนหรือหรืออยู่ในเรือนตรงไหนต่างๆเรามักจะเจออสารพิษมันชอบอยู่อยู่ในที่บดบังอยู่ในที่มืดๆแต่ถ้าตรงไหนในที่เปิดเผยมันจะ ม, มันจะไม่ค่อยอยู่ ที่มืดไปด้วยปัญญาอาสรพิษคือกิเลสตัณหาอาสวะมันก็ชอบอยู่ชอบเกาะชอบกลุ่มเพราะมันสามารถโดดดิ้นโล ด, ดได้อย่างตามสะดวกสบายแต่ถ้าเรามาขัดกลาห้จิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์มันเดียวเสร็จแล้วก็เอาอารมณ์เดียวมาคิดคิดให้มันขยับขยายไปที่เรียกว่าพิจารณาเกิดปัญญาเนี่ย เหมือนก็เปิดตรงนั้นรื้อตรงนั้นรื้อตรงนี้ดูตรงนั้นดูตรงนี้เปิดนู้นดูเปิดนี้ดูรื้อนู้นดูรื้อนี้ดูพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอ่าให้มันเกิดสมมติสิ่งเหล่านี้คว่ำอ่าความก็มาเปิดดูเออมีสิ่งนี้พอถูกงายขึ้นมาแล้วสารพิษมันก็หนีออกมันก็บิดมันก็วิ่งออกไปงายนั้นดูไปงายนี้ดูไปพลิกนี้ดูพลิกพิกนั้นดูอ่านอกจากนั้นแล้วความสงสัยพอเราพลิกดูแล้วมันก็หมดความสงสัย ถ้าหากเราไม่พลิกดูเนื่องจากว่ามันไม่เห็นมันก็เกิดความสงสัยเอออันนี้ปิดอะไรไว้อันนี้บังอะไรไว้ท่านจึงให้มาคลี่คลายดูเนี่ยวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ชำระขะัดเกลาจิตของเราให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วปัญญาแปลว่ารู้ทั่วเหมือนกับดูไปแล้วมันเป็นรัศมีรอบ รอบวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่มันเกิดความสว่างขึ้นมาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วแต่ต้องดูเท่านั้นถึงจะเห็นนะแต่ถ้าเป็นปัญญาญาณหมายความว่าผลละเอียดวิเศษเกิดขึ้นจากการขัดเกลาด้วยปัญญาละเอียดลึกก็ไปเพียงแต่กําหนดยึดเดียวนะก็ไปล่ะซื้อแผดกำหนดยึดเดียวนก็ซื้อไปละปัญญายานมันละเอียดอือันนี้คือผล จะรู้เปเพื่อนธรรมดาก็รูล้ ล, ล, ะละเอียด vào, ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปจากการเห็นสมุกไทยตัวหยาบหก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเห็นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นละเอียดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปนี่วิธีการทําให้เกิดปัญญาในเราพูดมาถึงข้างในเลยแต่ถ้าเราพูดถึงปัญญาข้างนอกก็คือปัญญาจากาการศึกษาเล่าเรียนทําประสบการณ์แสวงหาประสบการณ์ จากการกระทำในปัญญาคนเหล่านั้นแพ้กันชนะกันได้ด้วยปัญญาแต่ก็ไม่ก็ไม่อย่างเดียวบางคนมีปัญญาปัญญาดีเลิศแต่ยังขาดอย่างอื่นอย่างอื่นก็มีเพราะฉะนั้นบารมีพุทธเจ้าท่านจึงมีครบมีทา น, นเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของทานบารมีศีลบารมี ศีลบารมีเกี่ยวกับกายงามวาจางามพอทานพร้อมไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนสินดีรูปร่างลักษณะดีร่างกายงามกายกรรมงามวจีกรรมงามทานสินเนคขมะนี่เป็นทางออกชี้ทางออกออกบวชเพื่อเพื่อบำเพ็ญทานเพื่อบาเพ็ญสินให้สะดวกสบายเพื่ออะไรเพื่อปัญญาทานสิน เนคคำะปัญญาวิริยะแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยวิริยะความภาคความเพียรขัดแล้วขัดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนเราขัดขัดไม้ให้เกิดไฟนั่นแหละชืดเดียวเนี่ยเกิดยากต้องขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วก็ดีการเสียดสีทําให้เกิดความร้อนร้อนมากๆเข้าทําให้เกิดไฟส่งสั ญ, ญลักษณ์เป็นควันส่งสั ญ, ญลักษณ์เป็น เป็นคมเหาดำๆส่งสัญลักษณ์เป็นฐานแดงๆาปากเตาเข้าไปติดเป็นเปลวไฟขึ้นมานี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นอาศัยวิริยะความภาคความเพียรเพียรกับขยันหลาจะว่าเหมือนกันก็ได้เรายจะว่าต่างกันก็ได้แต่เพียร น, นี่สามารถทําสิ่งที่ําจริงทําสิ่งที่เป็นไปได้ทําจนได้ทําจนเกิดทํำจนเปลี่ยนเหมือนอะไรเหมือนเขา เคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวน้ำมันสมมติว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเคี่ยว์เคี่ยวี่ยวี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเไปเคยวไปจากกะทิธรรมดากลายเป็นน้ำมันขึ้นมาพอมันกลายเป็นน้ำมันขึ้นมาแล้วให้มันกลับไปเป็นกะทิอีกมันจะไม่เป็นเพราะมันกลายตัวมันปรับสภาพตัวแล้วอันนี้คือความรู้คือปัญญาเรามาพิจารณาให้เกิดปัญญาก็คือพิจารณาเพื่อชะเพื่อล้างเพื่อขัดเพื่อเล่าให้เกิดความสว่างในหัวใจ นี่คือปัญญาปัญญากับวิริยะกับความขยันนะขยันมันเพียนนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละขยันมันเพียนขันตินะะขันติบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีเรามาดูผู้พิริยะท่านทําอะไรเราดูในตํานานที่ท่านทำอ่าท่านท่านประกอบภ า, าระอะไรตั้งแต่ท่านเริ่มแสวงบรรลุธรรมเนี่ยท่านต้องตั้งสัจจะบา ร, รมี อธิษฐานบารมีด้วยถ้าเราจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะขอให้ถาดทองใบนี้ลอยทวนกระแสน้ำนี่อธิษฐานละอธิษฐานถึงเรื่องเบื้องหลังขเจ้ า, ามีบุญบา ร, รมีเคยประกอบไว้มากน้อยเท่าไรถ้าพอจะบรรลุได้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำเราคิดว่าพลังของอะไรที่พาลอยดูทวนได้เหมือนอย่างพุทธเจา้าท่านลอยทวนลอยลอย ถ, อยอย ถ, ถาดทองคํา พอลอยไปในน้ำเละน้าแม่น้ำเมรัชลามันไหลไหลลงมาข้างหนึ่งถาดก็ลอยทวนบึ บ, บไป น, นั่นถ้าเป็นเราเห็นแล้วเป็นไงนปลื้มใจดีใจเออเรามีบุญญาบารมีเป็นไปได้สบายใจได้ได้ไดแล้วเนเสียงถึงบารมีบารมีก็คือผลิตผลหรือบุญเก่ากรรมเก่าในอดีตชาติที่เคยสั่งสมอบรมมา มันเป็นมันเป็นของเก่าที่เคยสังสมอุบรมาไม่ไปที่ไหนมันอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่จิตติดค้างอยู่คอยตามส่งผลให้อยู่นี่แหละอือธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีโอ้เมตตาจนเยี่ย ม, มก็ดูแต่เมตตาสมัยเป็นช้างเนะี่ยนะเมตตาเทวทัศน์ก็เป็นนายพรานนะ่ะ ไปคอยยิงไปคอยไปขอขอตักนาไปขาย <c oughs> ที่แรกหลงทางพระเทวทัตนะไปไปหากินในป่าหลงทางสมัยสมัยหนึ่งพุทธิเจ้าเป็นช้างช้างพระโพธิสัตว์เทวทัตหลงป่าหลงป่าร้องไห้เลยนะหาทางกลับบ้านไปเจอประยาช้างก็ไปเจอเออนีอ่นั่งหลังเราเราไปส่ง เอานะเรามาถึงแค่นี้แล้วเราไปอีกไม่ได้แล้วมันเป็นแดนมนุษย์เทวทัพพยายามจำทางได้โอ้ยช้างตัวนี้ตัวงามมากงายาวโอ้ถ้าเราได้งาไปขายเลี้ยงชีวิตอี่จะได้เท่านั้นจะสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคนคนผ่านนนเป็นอย่างนั้นอา่อาอ่ามีวันหนึ่งมีวันธรรมาหากินยาเหลือเกินนึอนึกถึงพญยยช้างไปขอตัดตัดงาข้างหนึ่งเอา้าตัดได้เลย เื่อยมาเลื่อยเลืเลชัดชัดข้างหนึ่งเอาไปเอาไปไ ป, ไ ป, ไปหาอยู่หา ก, กินได้สักพักหนึ่งไม่แล้วโอ้ยหมดแล้วไม่มีอะไรไปหาอยู่หา ก, กินอีกแล้วเนี่ยมาขอขอเงาเหลืออีกข้างหนึ่งเอาให้ไปเลยหมดไปสองข้างแล้วต่อมาอีกมาขอตัดโคนอีกอดันเนื้อดันอะไรออกตัดไปจนจะหมดทั้งตัว ที่ท่านพูดถึงคนผ่านให้เท่าไหรก็ไม่รู้จักพอเมตตาเมตตาบารมีเมตตาบารมีอาศัยเมตตาบารมีถ้าพูดถึงพบชาติที่พระองค์สวยชาติสร้างเมตตาบารมีก็คือสมัยเป็นสุวรรณสามนี่แหละสมัยเป็นสุวรรณสามนี่แหละเป็นสุวรรณสามที่ว่าพ่อพ่อกับแม่เป็นดาบดดาบดศ่วนีนี่ยไปอยู่ในป่าน่ยอันนี้ เทวดาเห็นว่าทั้งสองคนนี่ตาจะบอดเพราะมันจะถูกอสารพิษพ่นใส่พ่นพิษใส่<ม>ก็เลยให้เอาให้สามีเอามือลูกทองภรรยาอโอ้ยทีแรกก็บอกว่าให้ให้ใ ห, ใหอ้อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้ลูกจะได้ใช้สอยไปแต่โอ๊ยไม่เคยทําให้เป็นเลยไม่เคยตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาไม่เคยอะไรกันเลยเนี่ ไม่ต้องถึงกับทําเหมือนมนุษย์ทั่วโลกเขาทากันดอกเพียงแต่เอามือไปลูบทองเนี่ยก็จะตั้งขันขึ้นมาดาบก็ทําอย่างนั้นนางปราริกาก็ตั้งขันขึ้นมาในสุดก็ออกมาออกมารูปงามเหลือเกินจึงได้ชื่อว่าสวรรณสามพระรุจ้าสมัยนั้นสวุชติเป็นสุวรรณอาสามสวุชชาเป็นสวรรณสามไปอยู่มารุเดียงสาวภาวะเดินได้อะไรได้หาบ ผลไม้รากไม้ได้อะไรได้พอดีวันหนึ่งพ่อแม่ไปไปหาไปหาผลไม้นั่นแหละไปดำๆข้างๆจอมปลวกนี่ยสารพิษมันอยู่ในรูมันพ่นมาเนี่ยดาตาบอดทั้งสองน่ะโอ้ยโอ้ยอ ย, อ, ยอ้ยทั้งสองทั้งหัวทั้งเมียนั่นแหละสุวรรณศร้างวาพยายามจำเอาไว้พ่อแม่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้คนฉลาดพอไม่เห็นก็ตามไปตามไปเห็นพ่อแม่ร้องอยู่นี่ะ ตาบอดทั้งสองบอดแล้วตาบอดแล้วตาบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วส่วนสามเห็นก็ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้อ่าร้องไห้เพราะสงสารพ่อแม่ตาบอดทั้งสองทั้งร้องร้องไห้แล้วทั้งหัวเราะอ้าวทาไมทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะหัวเราะเพราะจากนี้ไปจะได้ดูแลพ่อแม่ไม่ต้องพ่อแม่ให้พ่อแม่ลําบากหัวเราะ ร้องไห้เพราะสงสารพ่อแม่จากนั้นหมากก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็อยู่ในป่าเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นหมู่เป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นเป็นฟุงฟ้งๆแหละเวลาไปตักน้าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เดินตามไปเป็นฝุ้งรูปร่างนี่สว ย, ยงามอ่าผิวเนื้อเหมือนเหมือนทองนั่นเขาจึงเรียกว่าสุวรรณอสามสุวรรณอสามผิวเสมอด้วยทองสุวรรณอาสามมีวันหนึ่งประยัดแผ่นดินไปหาล่าสัตว์ พระเจ้าพระเจ้าเมืองอะไรพระรานศรีพระเจ้าเมืองอะไรพร ะ, รพระมทัศพระเจ้าพระมทัศเดืออะไรไปล่าสัตว์ไปเห็นสุวรรณศร์แปลกเอตัวอะไรนี่แปลกเห ล, ลือเกินเลยทำไมรูปร่างสวยงามเห ล, ล, ลือเกินมามีสัตว์ทั้งหลายแห่ห้อมล้อมมาเลยยิ่งเลยท่านนี้ยิ่งใส่าสุวรรณศร์น่ะถูกธนูอาบยาพิษนั่นแหละท่านี่ทนยาพิษไม่ไหวเลยเลย ลมไปหมดสติไปแล้วก็ลมไปเอาหัวเอาหัวไปทางพ่อทั้งแม่อยู่ทิดพ่อทิศแม่อยู่นั่นแหละอืทีแล้วก็ก่อนก่อนที่จะหมดสติหมดความรู้สึกตัวก็บอกว่าท่านยิงเราทําไมอะอคนทั้งหลายเขายิงสัตว์เพราะเอาไปกินได้เนื้อสัตว์เขายิงเพื่อเอาไปกินได้แต่เราเป็นคนไม่รู้ท่านยิงเราทําไมท่านยิงเพื่ออะไรท่านคือใครอ่า แล้วก็หมดสติไปพจิจารแผ่นดินฟังเห็นแปลกอ้าวเป็นคนก็เลยไปดูดูไปดูมาโอ้สงสารสงสารก่อนก่อนที่จะหมดก็ได้พูดได้พูดกับท่านไปทําบาปกับเราอย่างงี้เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หมดเราไปแล้วพ่อแม่เราจะลําบากมากท่านอยู่ทางนี้แหละล้มไปเอาหัวเอาหัวไปทําทิศที่พ่อแม่อยู่พจิจารแผ่นดินก็สงสารเน่ย เจ้าพระมรรทันกสส็สงสารสงสารเลยรับปากเอาเธอต่อจากนี้ไปเธอไม่ได้อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเราจะรับทําหน้าที่แทนเธ อ, อเราจะรับทําหน้าที่เราจะรับปากกับเธอเลยเราจะรับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอสุวรรณสก็เลยหมดสติไปแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่อยู่ตรง น, นี้เลยไปตามไปเรียกพ่อแม่ก็เห็นได้ยินเสียงแปลกๆไม่ใช่สุวรรณสามลูกของเราฟังแต่เสียงเดินก็ไม่ใช่ ทำไปทำมาก็กเลยบอกความจริงเลกพาไปที่สุวรรณสามเนี่ยพาไปที่สุวรรณสามพาไปไปพาไปที่สุวรรณสามพ่อแม่ก็ก็อ้างถึงบุญญาบารมีเหมือนกันน่ะอ้างถึงบุญญาบารมีอ้างสัจจะบารมีเหมือนกันเพราะอ้างสัจจะบารมีอ้างสัจจะบารมี ทำไงลืมแล้วแหละลูลกไปที่ตัวสุวรรณสามเรืออะไรเนี่ยก็ทำให้พิษนั่นก็เบาบางลงไปเกือบหายเป็นปกติเสร็จแล้วก็ไอเทวดาที่เคยเป็นแม่อยู่ในป่า น, น่ะเห็นสุวรรณสามกับแม่ใหม่ทำอย่างนั้นก็ไปตั้งสัตวจากกิริยาด้วยก็เลยอ้างถึงบุญญาบา ร, รมีเก่ า, กาๆนี่นแหละในที่สุดพิษที่มีอยู่ในตัวสุวรรณสามก็หายหมดหายเป็นปกติหมด ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมหมดแล้วจากนั้นก็ตาของพ่อของแม่ทั้งสองนี่ก็หายด้วยเป็นตาเป็นปกติเนี่ยนี่ท่นพูดถึงอา น, นิสงส์ของการเมตตาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็กตันยูรุคุณกับพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าจะถูกยิงด้วยธนูที่อาบด้วยยาพิษเนี่ยสอนที่อาบด้วยยาพิษ ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ชาติที่เป็นสวนอสามันแหละที่ท่านเมตตาบารมีบารมีก็ทำก็ทำเต็มเปี่ยมเต็มที่เสร็จแล้วก็สุดท้ายคืออุเบกขาบารมนีนี่คือบารมีของพระโ พ, พ, พธิสัตว์พระพุทธเจ้าพวกเราสร้างบารมีเพื่อความเป็นสาวกเราไม่จาเป็นเราไม่ไม่ได้หนักแน่นเท่ากับพระพุทธเจ้าบารมีนี้เป็น บ, บารมีเพื่อความเป็นพระโพธิสัตว์ แต่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระสาวกบางทีก็ขัดขาดอย่างได้อย่างหนึ่งก็สามารถไปได้อาศัยว่าไปได้ด้วยปัญญามีคนมากุยดมาให้ป้ายทางให้แล้วเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกทำอย่างนี้นะทําอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเหมือนอย่างปัญจวัคคีนี่เรามาฟังดูปัญจวัคคีไปตามเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาความรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็พ้นทุกข์พ้นโทษตามท่านไปแค่นั้นเองแต่ท่านท่านบำเพ็ญความสงบมาจนพอแล้ว แต่มันไม่มันติดตันอยู่แค่นั้นไม่รู้ยักช่องทางที่จะทํำยังไงถึงจะทะลุทะลวงไปได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจักให้ฟัง น, นั่นนะพระอัญญาโกณทัญญะจึงได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือฟังธรรมะจนเกิดปัญญายานขึ้นมาอย่างห็นกิสมุไดยะธรมบบ ร, ะธรมังสัพพนตังนิโรธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในโลกสิ่งนั้นย่อมดับ เกิดขึ้นในโลกเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือสัจจะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <encima> สัจจะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะสังขารเหล่านั้นจะไม่คงที่ไม่คงที่ย่อมเปลี่ยนไปคําว่าไม่คงที่ก็คือเกิดขึ้นในระหว่างตั้งอยู่ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่คงที่แล้วก็ดับไป ภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีภาวะอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราน้อมมาที่กายของเราที่วายจางเราก็มีอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธ เ, เ, เจ้าท่านสอนพวกเราว่าอย่างนี้แหละว่าสังขารของเราไม่เที่ยงหน อ, อเกิดขึ้นแล้วแปรปรลุกนักก็แตกสลายไปแต่โอกาสที่เราจะเอามาดาพึงของพันมาพินิพิจรารณาเห็นแจ้งเห็นจริงตามที่ท่านบอกต่านสอน ถ้าหากไม่ตั้งออกตั้งใจเรื่อยเร็วแรงจริงๆไม่มีกระจิตกระใจที่จะดูที่จะจัดที่จะสร้างที่จะทำโอกาสที่เราจะเห็นมันจึงไม่มีมันจึงไม่มีมมมเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตอย่างแท้จริง นิทิปัญญาสภาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาที่ถูกต้องไปสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงก็คือปัญญาศินสมาธิาปัญญาศินสมาธิปัญญาที่ครูบาอาจารย์เราบอกเราสอนนั่นแหละพวกเราก็ขาดขาดความรรมอย่างต่อเนื่องอ า, อาจจะทําถูก อาจจะทําถูกแต่ขาดด้วยเหตุที่กาดขาดความต่อเนื่อง ถ, so Lay, Dorothy Dorothy ถ้าเผื่อเราถูไม้ให้เกิดไฟก็ถูถูถูถููแล้วก็หยุดถูถูถูถูถูแล้วก็หยุดไม้แห้งอยู่ถูถูกวิธีอยู่แต่ว่าถูถูถูแล้วก็หยุดอืเวลาหยุดมันก็เย็นไปแล้วถูคิดได้ก็ถูอีกถูถูถูมีความร้อนขึ้นมหมีหยุดหยุดมันก็เย็นกข้าไปอีกหละ อันนี้เป็นข้ออุปมาเป็นเกณฑ์วัดความประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเป็นเกณฑ์วัดแต่ถ้าหากเราเป็นประเภททูทูทูถูไม่หยุดถูถูจนติดอันนี้ไม่ต้องมีใครบอก ร, รู้เองเพราะมันมีผลสืบช่วงตลอดมีผลสืบช่วงตลอดหมดหมดสงสัย นะยังแต่ว่าทํายังไม่ถึงก็พยายามทําเอาเป็นเอาตายเข้าใส่ที่ครูบาอาจารย์ท่าว่าทําเดินตายเดินตายเดินตายเดินตายมาจากตรงนี้มาจากวิธีการอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่ยอมหยุดนั่นเองเพราะถ้าหยุดก็กลมใจเย็นเย็นแล้วมันจะไม่ได้ไฟหยุดเย็นหยุดหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ขวา้ารุดขวา้ารุดควา้ว า, วาจนติดมือที่ครูบาอาจารย์ท่าว่าเอาเป็นเอาตายเขาแหลกตอนนี้แหละตรงนี้แหละ แค่นี้ก็พอและเาธรรมวัตสวดมนต์